อาจารย์มั่นสุดหัวใจมูพระเนนที่บ้านหนองผือทราบกันดีว่าช่วงเวลาที่ท่านอาจารย์มั่นป่วยหนักมากๆนี้ถ้าองค์ท่านไม่นอนทั้งคืนท่านก็ไม่ยอมนอนทั้งคืนด้วยเช่นกัน และถึงแม้จะต้องได้นั่งอยู่กับที่นานมากเข้ามากเข้าจนเริ่มรู้สึกเจ็บเอวมากแต่ด้วยความเคารพรักท่านอาจารย์มั่นแม้จะเจ็บมากเพียงไรก็าตามก็ไม่ถือเป็นอารมณ์กับมันยิ่งกว่าการคอยเฝ้าดูแลองค์ท่านอาจารย์มั่นอย่างใจจดใจจ่อที่สุด งีบหลับไปบ้างท่านก็ถือโอกาสนั้นออกไปเปลี่ยนอิริยาบถบ้างด้วยการไปเดินจงกรมในบริเวณใกล้เคียงโดยไม่ลืมที่จะให้พระที่ไว้ใจได้คอยดูแลองค์ท่านอยู่เงียบๆตลอดเวลาแทนท่านบอกพระองค์นั้นไว้ด้วยว่าหากมีอะไรให้รีบบอกทันที และคอยสังเกตดูว่าถ้าองค์ท่านมีทีท่าว่าจะตื่นขึ้นก็ให้รีบบอกทันทีเช่นกันการที่พระผู้เฝ้าไข้องค์ท่านต้องคอยบอกท่านอยู่เสมอเสมอเพราะต่างก็สังเกตพบว่าเวลาองค์ท่านตื่นขึ้นเมื่อลืมตาขึ้นมามักจะถามขึ้นว่าท่านมหาไปไหน ท่านมหาไปไหนพระผู้เฝ้าไข่ก็จะรีบวิ่งไปบอกท่านทันทีในจุดที่นัดหมายกันไว้แล้วท่านเองก็รีบมาทันทีเช่นกันยามที่ท่านอาจารย์มั่นป่วยหนักเช่นนี้ท่านจะเป็นผู้ทาธุระต่างๆเกี่ยวกับองค์ท่านด้วยตัวเองทั้งหมดเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายหนักถ่ายเบาขององค์ท่านเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ท่านเมตตาอธิบายว่าเราทำต่อท่านด้วยความจงรักภักดีเทอดทูลขนาดไหนไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลยและท่านก็ไม่เคยตำหนิอะไรเราทำกับท่านถึงจะโง่หรือฉลาด เราขอถวายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านไม่เคยตำหนิเราจะถ่ายหนักถ่ายเบาอะไรเราจัดการเองหมดไม่ให้ใครมายุ่งกลัวใครจะไปคิดไม่ดีในเรื่องอะไรอะไรที่เป็นอกุศลต่อท่านเพราะปุถุชนเป็นได้นี่นะเราถึงเป็นปุถุชนก็ตามแต่เรามันไม่ใช่อย่างนั้นเครามอบหมดแล้วนี่ มันต่างกันตรงนี้นะสติปัญญาที่เรานำมาใช้กับท่านก็เรียกว่าเต็มกำลังของเราเวลาถ่ายหนักหนี่สำคัญมากไม่ให้ใครเห็นด้วยนะเราทำของเราไม่ให้ใครมองเข้าไปเห็นเลยนะเอาร่างกายเอาตัวของเราบังไว้หมดเลยทำคนเดียวของเราแต่ก่อนไม่มีถุงพลาสติก มีแต่กระโถนกับผ้าคีริ้วผ้าอะไรกระดาษก็มีแบบกระดาษห่อพัสดุเวลาท่านถ่ายเราก็เอามือรองที่ถวาวรท่านเลยยอนปั๊บใส่ปุ๊บย่อนปั๊บใส่ปุ๊บเสร็จแล้วเอาผ้าคอยเช็ดตรงนั้นให้ท่านถ่ายลงกับมือเราเลยนะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราทำความสะอาดเองทำเองเสร็จแล้วเราก็วิ่งออกมาเพราะพระอยู่ข้างนอกเต็มหมดอยู่ในนั้นมีแต่เราคนเดียว ไม่ว่าถ้าเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ในระยะที่ท่านอาจารย์มั่นไอด้วยโรคระนโรคซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหากมีผู้ที่เข้าไปใกล้ชิดติดพันด้วยแล้ว โอกาสที่จะได้รับเชื้อยิ่งสูงมากและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยง่ายเรื่องนี้เคยมีผู้ถามท่านอยู่เหมือนกันว่าไม่กลัวจะติดเชื้อวัณโรคนี้บ้างหรือท่านว่าท่านไม่ได้สนใจกับวัณโรคที่ร้ายแรงนี้เลยยิ่งกว่านั้นยังได้คลอเคลียใกล้ชิดติดพัน กับองค์ท่านอยู่ตลอดแม้เวลาองค์ท่านไอท่านก็เอาสำลีกว้านเสลตออกช่วยท่านยิ่งในเดือนสิบเอ็ดสิบสองอากาศหนาวเย็นเข้ามาองค์ท่านก็จะไอหนักขึ้นถ้าคืนไหนไม่ได้นอนท่านก็ไม่ได้นอนเพราะต้องช่วยกว้านอยู่ตลอดคืนท่านว่าสำลีที่ใช้แล้วนี้ กับล้นภูณกะละมังเลยเพราะต้องกว้านออกเรื่อยเหตุการณ์ในตอนนี้ท่านก็เคยเล่าไว้ว่าถ้าวันไหนท่านไม่หลับเราก็ไม่ได้หลับถ้าวันไหนท่านได้หลับบ้างเราก็ออกไปเดินชมกลมกลางวันไม่ไอท่านจะอยู่สบาย ก็ให้พระที่พอไว้ใจได้องใดองหนึ่งอยู่แอบๆท่านอยู่ข้างๆแต่ไม่ได้เข้ามุงกับท่านเราก็ได้พักในตอนนั้นถ้ากลางคืนนี้เตรียมพร้อมตลอดเวลาถ้าพูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเทิดทูนสุดหัวใจเรามอบหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัวเราเรามอบหมดเลย ความลำบากลำบนเราไม่ได้สนใจเรามอบหมดเลยที่ท่านอาจารย์มั่นคอยถามถึงท่านมหาอยู่เสมอนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมีขึ้นในระยะนี้เท่านั้นก่อนหน้านี้ก็มีและแม้ในคราวที่ท่านออกเที่ยววิเวกหลายต่อหลายวันเข้า องท่านก็เริ่มถามกับพระเนนขึ้นแล้วว่าเอท่านมหาไปไหนนาไปหลายวันแล้วนะครั้นเมื่อท่านกลับมาถึงวัดองค์ท่านก็ไม่พูดอะไรแต่พระเนนก็แอบเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็ทำเหมือนกับไม่รู้อะไรแต่เพราะท่านได้ออกเที่ยวอีกหลายวัน องท่านก็ได้ถามพระเนนขึ้นอีกเช่นว่าเออมหาไปหลายวันแล้วนะไม่เห็นนะความเมตตาอย่างน่าประทับใจที่ครูบาอาจารย์มอบให้นี้ก็คงด้วยเพราะองค์ท่านล่วงรู้ถึงหัวใจของท่านที่ยอมมอบอย่างชนิดไม่มีอะไรเหลือเพื่อเทิดทูนเขารกบูชาคุณอย่างสุดหัวใจ ต่อองค์ท่านนั่นเองสลดสังเวชผู้มีพระคุณสูงสุดจากไป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 บ้านโคกหนึ่งพันษาบ้านนามน1หนึ่งพันษาบ้านโคกอีกหนึ่งพันษาและแห่งสุดท้ายที่บ้านน้องผือห้าพันษา สำหรับวันมรณภาพของท่านอาจารย์มั่นตรงกับเวลา2นาฬิกา23นาทีของวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492ณวัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนคริริรูมอายุได้80ปี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 ท่านก็ได้จากเราและหมู่เพื่อนผู้หวังดีทั้งหลายไปเสียแล้วในวันนั้นอณิจาวัตสังขาราเรือนร่างของท่านนอนสงบนิ่งอยู่ด้วยอาการอันน่าเลื่มใสและอาลายยิ่งกว่าชีวิตจิตใจซึ่งสามารถสลละแทนได้ด้วยความรักในท่าน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 สติปัญญาอัตโนมัติหมู่เพื่อนแอบจดจ้องย้อนมากราวถึงระยะที่ท่านอาจารย์มั่นเริ่มป่วยหลวงตาเล่าสภาวะจิตในระยะนั้น